เนี่ยแล้วเราอยู่ไต้ฟ้าเราจะทำยังไงถึงจะกลัวก็อยู่อยู่ไต้ฟ้าอย่างเก่าอยู่ไต้ฟ้าไต้ฝนทาไม่มีบาปมีกรรมจริงๆเรอือไองผิดธรรมชาติจริงๆหรือว่าบางคนมันก็อย่างว่าตายพราะฟ้าก็มีเหมือนกันแต่มันก็เป็นส่วนน้อยแต่จะว่าไม่มีเลยมันก็ไม่ได้มีอยู่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 ต้องอย่าให้ขาดสายตานะดูแลแกะตัวนี้ให้ดีมันไปนะสถานที่ใดห้ามใครก็้ามากรรรมกายเข้ามาใกล้สุชาต้องปกป้องรักษานะ อ, อย่าให้มันตายเพราะถูกคนฆ่าถูกตัดคอนี่ว่าแกะตัวนี้มันบอกว่าบาปกรรมเนี่ยสุชาต้องรักษาให้ดีติดสับประมกสั่งลูกน้องลูกน้อง <c oughs> จับ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 แกะตอนนั้นก็เลยแพ้ตอนนั้นก็คอขาดก็เลยตายทิดับป่าโมกโเกิดความสลดสังเวชใจใหญ่เลยบาปกรรมมันมีจริงๆนี่ในวาล่ะจากนั้นก็เลยกอกไปบวดปืนลือสีอยู่ในป่ารักษาศีลภาวนาต่อไปแปลว่าเห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดไม่ทาบาปทำกรรมอันนี้คือ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 ปัจจุบันเนี่ยเราทํากรรมไม่ดีทํากรรมชั่วพู้างานคิดขึ้นมาก็คิดชั่วคิดอยากจะฆ่าเขาเพราะสือก็ไปหาปืนมาแล้วก็ไปยิงเขาเข้าเนี่ยพอยิงเขาเขา้เเข า, เขาแล้วยังสำทับเขาอีกด้วยวาจาอีกฆ่าเจ็บใจมโนมนั้นแล้วมาประสบความสําเร็จในวันนี้เองฮะใจก็คิดมาพอแรงใช่ไหมแล้วก็ไปแ ส, สวงหาอาวุธเออเสร็จแล้วก็ พูดสำทับอีกสรุปแล้วไอนะ้ทั้งใจทั้งกายทั้งวาจานะทํากรรมกรรมชั่วทั้งสามอย่างทั้งใจคิดไว้ก่อนแล้ววางแผนทั้งกายนะี่ยแไปหาประกอบสัตราอาวุธเข้ามาทั้งวาจานะี่กันพูดสำทับไปอีกเพื่อความให้ฉะใจแล้วทีนี้ ที่ทำลงไปแล้วมันไม่จบเพียงแค่นั้นในทำในปัจจุบันแล้ะ เ, เมื่อทำในเดี๋ยวนี้แต่อีกอนาคตนาทีต่อไปชั่วโมวงต่อไปวันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปอยู่ยากแล้วไปเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองทำกรรมไม่ดีเอาไว้กรรมตีนี้มันจะตามลตเลยใครเป็นคนทำ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 ใจะุกอย่างไรเมื่อก่อนมีทุกข์อยู่ในใจเน่ตะกิตตะขวงมีทุกข์อยู่ในใจอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะ ใ, ใจนึกทำกรรมขึ้นมานึกทำกรรมขึ้นมาละไรกันอย่างประกอบทางกายเออแล้วก็ใจทางวาจาอันนี้คือปัจจุบันได้รับปัจจุบันนกรรมการกระทำในปัจจุบันแต่อนาคตกรรมอีกเีเมื่อตายไปแล้ว